แบ่งพระสุธาเป็นสายและวาสองฝั่งอากน้ำกันความก็ไม่สาคัญแต่ความสัมพันธ์ของเรามันคงเรื่อยไปความใกล้กันคนละฝั่งของ หวังทั้งสองจนได้ด้วยความใฝ่ฝันนั้นสุดหัวใจปากฟังซ่วงในเหมือนใจเดียวกันทั้งสองฟังกันกลางย ขอบ้าดินช่วยเป็นสักขีโปรดคิดปราณีจงย่าได้มีวันหาอย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง โปรดคิดลานีจงอย่าได้มีวันหาอย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง